ทุกคนต้องคุยกับตัวเองแต่น้อยคนที่รู้ว่าจะคุยอย่างไรให้ก้าวไปไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังสำหรับคนส่วนใหญ่การคุยกับคนอื่นมักเริ่มด้วยการเชื่อมจิตแบบสบายๆด้วยถามอะไรเบาๆ เ, เช่นไปไหนมาหรืออีกทีก็ด้วยการกระตุ้นอัตตา โดยทักอะไรดีๆเช่นหอมลงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นความรู้สึกของทั้งคู่ต่างคนต่างบอกตัวเองว่าจิตจุนกันติดแค่ไหนมีหัวข้อสนทนาต่อไปได้หรือไม่ถ้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรต่อก็จบก็แยกย้ายกันไปสิ่งที่ได้จากการทักทายการคุยสั้นๆคือความรู้สึกดีๆที่ไม่ลืมกัน ไม่เหมือนกันแต่หากมีหัวข้อให้คุยเป็นจริงเป็นจังต่อก็มักเอาให้ได้เนื้อได้น้ำอย่างใดอย่างหนึ่งสุดแล้วแต่ว่าจิตจะจูนกันติดด้วยหัวข้อไหนข่าวผัวเมียข่าวลูกชาวบ้านข่าวกีฬาข่าวเศรฐษฐกิจข่าวการเมืองหรือข่าวศาสนาถ้ารู้สึกว่าได้ข่าวเพิ่มจุใจ ครั้งต่อไปเจอหน้าจะอยากคุยกันอีกนี่เรียกว่าเจอตัวคนคุยด้วยได้แล้วหรือได้คนมาช่วยทำอัตตาของตนให้เป็นปกติบ้างแล้วส่วนรูปแบบการคุยกับตัวเองสําหรับคนส่วนใหญ่มาเริ่มด้วยการขุดคุยเรื่องคาใจด้วยคาถามประมาณว่าจะเอายังไงดีจากนั้น ความรู้สึกสองฝักสองฝ่ายมักทำให้เกิดอารมณ์ติดข้องสับสนแล้วไม่เปิดหัวข้อสนทนาเป็นเรื่องเป็นราวหลายคนเหมือนสมองทำงานบกพร่องว่ายวนอยู่กับคำว่าจะเอาอยัางไงดีไม่เลิกบางทีกินเวลานานเป็นชั่วโมงก็มีซึ่งนั่นสะท้อนให้เห็นว่าจิตที่พยายามคุยกับตัวเองแต่เชื่อมกับตัวเองไม่ได้ หาตัวเองไม่เจอเจรซำระสายอัตตาพระเลือนเหมือนผีที่ไร้ตัวตนกำลังพยายามคุยกับผีที่ไร้ตัวตนด้วยกันไม่ทราบว่าควรเริ่มอย่างไรควรจบตรงไหนคุยให้ได้สิ่งใดเพิ่มเติมขึ้นมาคุยให้ลดเรื่องเสียอันใดลงไปในที่สุดจึงเกลียดการคุยกับตัวเอง เปลี่ยนการต้องอยู่คนเดียวเหมือนถูกบังคับให้คุยอะไรไร้สาระกับใครก็ไม่รู้ถ้าฝึกเปลี่ยนคำถามได้ก็พลิกชีวิตได้รักที่จะคุยกับตัวเองมากขึ้นได้ก่อนอื่นต้องทงความเข้าใจว่าคนที่ชอบคุยกับตัวเองคือคนที่คุยแล้วได้อะไรจากตัวเอง เหมือนกับที่ได้ข่าวหรือข้อมูลดีๆจากคนอื่นมาช่วยให้ชีวิตตัวเองคืบหน้าซึ่งก็คือต้องคุยอย่างมีเป้าหมายคุยอย่างที่จะได้ผลลัพธ์ไม่ใช่คุยออกอ่าวเรื่อยเปื่อยไร้ทิศ ท, ทางคนที่มีเป้าหมายชีวิตคนที่ทำแต่ละวันให้ชีวิตคืบหน้าจะไม่ติดวนอยู่กับคำถามตื้นเขิน ไม่เป็นแต่คิดซ้ำซากว่าจะเอาอยัางไงดีสมองของเขาจะเห็นอย่างแจ่มชัดถึงภาพความเชื่อมโยงระหว่างจุดที่กำลังยืนอยู่กับจุดต่อไปดังนั้นจึงมักถามตัวเองรีบเรียบง่ายๆครั้งเดียวว่าต้องทำอะไรต่อเมื่อได้คำตอบก็ลงมือทำทันทีหรืออย่างมาก ถ้าเจอทางสองแพล่งให้หลังเลก็จะเข้าสู่ขั้นตอนตกลงกับตัวเองคุยกับตัวเองให้รู้เรื่องว่าควรทำอะไรก่อนควรพักอะไรไว้ที่หลังแค่เปลี่ยนคำถามชนิดที่ทำให้ปั่นปวนเปล่ามาเป็นคำถามที่กระตุ้นให้สมองทำงานถูกทางเช่นเลิกคิดว่าจะเอายังไงดีหันมาคิดว่า ต้องทำอะไรต่อเช่นนี้แล้วให้สังเกตดูว่าใจสงบลงไหมม่านหมอกทางอารมณ์ถูกแหวกให้ใสขึ้นไหมเกิดภาพในใจเห็นตัวเองที่จุดนี้กับจุดหน้าหรือไม่ถ้าใช่ก็แปลว่าคุณเริ่มคุยกับตัวเองรู้เรื่องแล้วคนเราพอหาตัวเองเจอเชื่อมกับตัวเองติด ชีวิตง่ายลงและดีขึ้นทันตาเห็นไม่เชื่อก็ลองเลย